ไม่งั้นใจเนี่ยจะรู้สึกเขาเรียกว่ามีมนทินมันจะหมองอยู่ในใจอา่าวันผู้เจ้าเนี่ยท่านโอ้ยฉลาดท่านไอ้นั่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทิกสูเนี่ยท่านถึงต้องให้เปิดเผยจะไม่มีการปกปิดใครปกปิดเนี่ยเขาเรียกว่าจะเน่าในไปเรื่อยๆมันก็จะทุกข์ทรมานเน่าเนี่ยมันจะกลัดน้องไปเรื่อยๆทุกข์แล้วเดี๋ยวออกมาเลยนะถ้าไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกเนี่ย เดี๋ยวจะออกมาเลยทางสีหน้าจิตตาแต่มาเคยเห็นมาแล้วนักปฏิบัติธรรมที่เคยมาปฏิบัติที่เนี่ยจนกระทั่งมาเป็นปา่าเป็นนาคอะไรพวกนี้โอ้โหเห็นเลยถ้าใครเนี่ยทําอะไรไม่ดีไว้แล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่บอกใครไม่บอกใครนะยิ่งมีโอกาสจะฟังเทศฟังธรรมมัง่งอะไรมั่งเนี่ยโอ้โหมันจะแทงใจอยู่ตลอดถ้ายังกดเอาไว้อีกกดเอาไว้อีกนะเดี๋ยวเหอโอ้โหหน้าเนอเนี่ย เปลี่ยนสีเลยนะหน้าเนี่ยจะเริ่มแดงเริ่มก็ค่อยดำอันนี้เห็นของจริงมาแล้วแล้วมานถึงบอกโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันจะแทงอยู่ในใจมันไม่มีความผาสุกเลยจะทุกข์ตลอดมันจะหุดหิดมันจะรู้สึกว่ากลัวกลัวคนจะรู้กลัวความผิดของตัวเองไม่เป็นสุขเลยเป็นทุกข์มันถึงบอกว่าถ้าไม่แก้คืนเนี่ย ไม่แก้คืนไม่สารภาพซะ mm hmm. ก็จะคาค้างใจอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยวันทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันทักใครเนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาพุทธจริงปฏิบัติถูกทางจริงแล้วบอกคุณได้เลยคุณหมดสิทธิ์จะไปทําชั่วคุณหมดสิทธิ์จะไปทําบาปเพราะไปทําแล้วมันทุกข์แต่ก่อนนี้คุณทาแล้วคุณมีความสุขได้นะ ถ้าคุณไม่ไม่รู้หลักของศาสนาเนี่ยอ่าคุณยังสุขได้นะจะกินเยอะแค่ไหนบางทีเอาเปียกเข้ามั่งกินเนื้อสอัตว์อะไรคุณมีความสุขข้างนั้นแ่ละคุณจะไปทุกข์อะไรล่ะแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคราวไหนคุณไปกินเนื้อสัตว์คุณชักรู้สึกไม่ค่อยดีนะเผลอๆปฏิกิริยามาที่กระเพาะเลยนะบางคนนี่ปวดท้องเลยนะกินเนื้อสัตว์เข้าไปยโอ้โหปวดท้องบางคนนี่ท้องเสียท้องเดินไปเลยก็มีทั้งทั้งที่อาหารไม่ได้เป็นพิษอะไรเลยนะ แต่ว่าจิตมันผักละจิตมันมันทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิแล้วคาว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือจิตเนี่ยมันมาในทิศทางที่ถูกแล้วจะให้คุณมาอมความผิดเอาไว้เนี่ยมันอมไม่ได้ละ ว, ว่ามันจะต้องเอาออกไปอย่างเดียวไอ้ความผิดแล้วถึงจะเบาขึ้นถึงจะสบายขึ้น ันบอกคุณได้เลยถ้าคุณปฏิบัติมีสัมมาทิฏฐิถูกทางพุทธแล้วคุณยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ปฏิบัติเท่าไหร่คุณมีแต่ต้องเอากิเลสออกไปมา ก, ก่า น, นั้นมากขา น, นั้นเพราะไม่สบายใจยิ่งมีกิเลสมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สบายใจเพราะนันมีแต่ต้องเอาออกรันทุกคนเนี่ยในที่สุดต้องไปเป็นพระอาหารหันตุกคนต้องไปเป็นพระอาหารหันต์เพราะถึงจะสบายที่สุดไง ไม่อย่างงั้กูต้องมีทุกข์ไปนั่หน่อยทุกข์ไปอนี่หน่อยจนได้แล้วมันหนีไม่พ้นอ่ะเพียงแต่ว่าพอกิเลสเราเบาบางลงน้อยลงใช่ไหมคราวนี้ทุกข์มันก็ไม่หนักเหมือนทุกข์หยาบห ย, ยาบละทุกข์หยาบหยาแบบโลกโลกมันเห็นทุกข์ง่ายหน่อยแต่คราวนี้ทุกข์มันเริ่มละเอียดขึ้นอ่ะอย่างเช่นทุกข์หยาบหยาแบบผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคุณเห็นได้ง่ายใช่ไหมคุณก็ยังตัดได้ง่ายขึ้นคราวนี้มันจะเหยียบขึ้นมาแล้วคราวนี้จะมาทุกข์เกี่ยวกับเรื่องกินอะ จะมาทุกเกี่ยวกับเรื่องกินแต่บอกแล้วถ้าคุณปฏิบัติห ย, ยาบหยาบเลิกทิ้งไปได้ก่อนเนี่ยนะทางทางด้านแบบอบายามุกทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆทางกายทางอะไรพวกเนี้ยคุณตัดออกไปได้เนี่ยคุณจะมาสุขอยู่กับเนี่ยแหละแม้การกินมังสวิรัตอร่อยโอ้อะไรต่ออะไรคุณจะมีความสุขนะตอนแรกๆนะแต่พอบอกแล้วก็คุณกินไปคุณก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยใช่ไหมคราวนี้พอความรู้คุณมากขึ้นความเข้าใจคุณ รู้เยอะขึ้นอภูมาธรรมของคุณก็ค่อยๆสูงขึ้นด้วยเพราะพอคุณปฏิบัติไปมากเข้ามากเข้าคราวนี้เอาเริ่มแล้วเริ่มและโอ้โหแต่ก่อนนี้กินมังสวิรัตก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยกินไอ้นู่นก็ดีไ อ, นนไอน้นี่ก็ดีแต่พอความรู้มากขึ้นแล้วก็กินมากก็ยังเป็นกิเลสนะเอาละนะติดไอ้นั่นติดไอ้นี่มังสวิรัตนี่แหละ เปนกิเลสนะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ภัยนะเริ่มรู้มากขึ้นอีกและวคราวนี้ละชักค่อยทุกข์แล้วชักค่อยทุกข์แล้ ว, อลวโอ้โหกินเยอะก็ชักไม่เป็นสุขเหมือนเก่าแล้วคราวนี้ชักทุกข์อีกแล้วยิ่งบางทีแหอร่างกายสมบูรณ์หน่อยมาถึงเพื่อนกระทักโอ้อ้วนท้วนดีจังนะไอ้อไนั่นเนอะใช้ไอ้สีอิ๊วปุ่มปุ๋ยหรืไง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคื อ, คอโดนทักแต่ก่อนนี้ก็ไม่ไม่อะไรมากใช่ไหม แต่โอ้โหในหมู่เราโอ้โหโดนทักชักรู้สึกชักอายชักอะไรแล้วคราวนี้มันชักไม่ค่อยมีความสุขแล้วนะก็รู้สึกต้องลดแล้วต้องลดลงบ้างมันก็อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยนะจนกระทั่งต่อให้คราวนี้คุณกินได้เป็นปกติเลยนะคุณกินได้ดีแล้วเออกินไม่มากอะ่ะไม่อ้วนท้วนอะไรจนเกินไปนักถือว่าพอดีพอดีคราวนี้ก็มีความสุขแล้วนะอ่าหยาบหยาบก็เลิกมาได้เรื่องกินเราก็ไม่ไปติดอะไรนักหนาแล้วสบายขึ้นขนาดนึงแนละ้ว ตอนนี้คุณก็ฟังเทศฟังธรรมคุณก็ปฏิบัติไปเรื่อยภูมิธรรมคุณก็สูงขึ้นไปอีกแล้วสูงขึ้นไปอีกแล้วคราวนี้อาตมายกตัวอย่างที่มันมันยากขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้บางทีเอาละไปถึงเรื่องนอนแล้วกันนี้เนี่ยจากเรื่องกามทั่วๆไปมาเรื่องกินจนมาเรื่องนอนแต่ก่อนนี้โอ้โหเรามาปฏิบัติเนี่ยนะกินก็พยานกินมังสวิรัติหรือกินให้น้อยมือแล้วสู้อย่างอย่างีแล้ววันยังไงเนี่ยต้องนอนให้เต็มที่ เพื่อที่จะได้แบบว่ามีเลี้ยวแรงมีกําลังแหมเอาไว้สู้กิเลสได้แต่แต่คราวที่พอคุณสู้เรื่องกามหยับยาบไปได้สู้เรื่องกินไม่ได้เดี๋ยวเขาเริ่มทักเรื่องนอนคุณแล้วคเนี้นอนเป็นยังไงบ้างอนอนสักกี่ชั่วโมงอ่ะเขาจะให้คุณนอนน้อยลงแล้วตอนนี้เอาแล้วคนนี้โอ้เริ่มอีกแล้วนะโดนทักโดนอะไรก็เอต้องมาฝึกเรื่องนอนลอแล้วเอาคนนี้ยมันหนีไม่พ้น มันจะไล่อย่างเงี้ยเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยแล้วกูก็จะทําได้คือไปเรื่อยทำได้คือไปเรื่อยนะต่อสู้กับกิเลสของเราไปเรื่อยจนกระทั่งนั่นแหละทุกเรื่องคุณก็ค่อยๆลดบรรเทาไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันเบาบางลงคราวนี้คุณก็สบายไปได้หมดทุกเรื่องเนี่นแหละก็จะเป็นอย่างเงี้ยการปฏิบัติธรรมเอายูวดีจะให้เล่าชาดกสักเรื่องหนึ่ง <S <S ชาดกมันยาวนะป่าวๆยูวีดีโอชาดกมีทั้งหมดห้ารอยห้าิเรื่อง ยูวีดีจะให้เล่าเรื่องไหนอะ <laughs> เกี่ยวกับอะไรเอาเอาเดี๋ยวเล่าได้ไม่ต้องห่วงอะให้ให้ใครถามเรื่องขึ้นมาฮะอืมอ่าเมื่อกี้เขาเล่าเรื่องนะว่าช่วงแย่ฝนมันตกมากใช่ไหมมันก็มีน้ําท่วมใช่ใช่เป็นแค่ความคิดอะนะน้ํามันก็ท่วมใช่ไหมแล้วก็โอ้ปลามันก็ออกมาเยอะแยะเลยปลาก็ดีก็ออกมากระโดดโลดเต้นใหญ่ะนะ <laughs> จริงตัวเองไม่กินมังสวิรัติเอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนะกินมังสวิรัติแล้วคนที่บ้านก็ก็เลิกกินเนื้อสัตว์ไปแล้วแต่ยังอดใจไม่ได้เลยโอ้โหเห็นปลามาเยอะเงี้ยนึกนะักแค่นึกยังนึกอยู่ในใจเลยว่าโอ้โหนี่น่าเอาไปให้เพื่อนบ้านกินอันนี้มนโนกรรมอันนี้จิตยังยังยั ง, ยงอ่ายังปานาติบาตทยกตัวอย่างอันนี้เป็นชาดก ข, ของพทธเจ้า ที่พุทธเจ้าท่านเล่ามาเลยท่านเล่าเองอันนี้ท่านตัดเองนะที่ท่านบอกว่าบอกว่าสมัยหนึ่งเนี่ยชาตินึงท่านเกิดเป็นลูกของพวกชาวประมงหาปลาและเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งชาวประมงเนี่ยออกไปหาปลามาได้จํานวนมากเลยนะพอนั้นก็เอาปลากลับมาที่ชายฝั่งเนี่ยโอ้ยก็ลากอวนเอาปลาจากไใสเรือมาเนี่ยได้จํานวนมากเลยตอนนั้นเน่ยอดีตชาติของพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเป็น เด็กเป็นลูกชา ป, ประมงโดยซ้ําไปยังไม่รู้อะไรมากเลยนะดูนะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมายเลยแต่ปรากฏว่าพอมาเห็นเนี่ยพวกโอ้โหพ่อแม่พี่น้องต่างๆนี่โอ้โหหาปลามาได้เยอะเนี่ยก็ดีใจกับเขาจังเลยบอกว่าโอ้โนี่ดีใจจังเลยหาปลามาได้เยอะเนี่ยชอบชอบใจด้วยถูกใจด้วยแม้อย่างเนี้พระเจ้าท่านบอกวิบากกรรมของท่านนะ่จากชาตินั้นนะ่ะที่ไปดีใจในการที่เขา จับปลามาได้แล้วเขาก็ต้องเอามาฆ่ามากินนั่นแหละหรือเอาไปขายก็ดีใจกับการปลานาติบาตของเขานั่ยแหละแค่นั้นนะท่านดีใจแค่จะวุบจะแว บ, บก็แล้วแต่แต่ผลกรรมที่ตามมาในชาติที่ท่านมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้เจ้าแล้วด้วยนะกรรมนี้ก็ยังตามมาแล้วก็มาทําให้ท่านต้องปวดหัวปวดหัวอะไรปวดหัวในเรื่องที่ที่ พระญาติพระญาตพระญาตินี่คือเครือญาตินะเครือญาติไม่ใช่พญาติในท้องอพระประยุรญาติเออแหมพูดให้เต็มๆพระประยุรญาตินี่ยจะมีภัยไงนะเหตุการณ์มันเกิดจากมีเจ้าชายวิทูสภะนะัคือคือกษัตริย์สักกระวงเนี่ยไปดูหมิ่นเขาว่าเขาเป็นแบบเป็นลูกของจันทาน เป็นคนจันทานคือยุคนั้นเนี่ยเขาถือสามากเลยถ้าเป็นเป็นลูกของคนต่างวันณะกันมาแต่งงานกันนะเขาก็ถือว่าลูกที่ออกมาเป็นจันทานเป็นบุคคลต้องห้ามถือว่าไม่อยู่ในวันณะของทั้งสี่ของอินเดียเขาเลยจันทานนี่เป็นอีกวัรณะหนึ่งเลยเป็นพิเศษต่างหากเป็นวันณะต้องห้ามที่ทั้งทั้งสวร น, นะเนี่ยมีกษัตริย์พามแพทย์สูตรนี่ก็จะ ดูหมิน่นจันทานทั้งหมดเลยจันทานนี่ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับสี่วันนั้นเลยเพราะฉะนั้นเจ้าชายวิทุสภพะเนี่ยเท่ากับว่าเป็นคนจันทานเพราะแม่เป็นเป็นสูตรเนเป็นพวกทาตรับใช้มาแต่งงานกับกษัตริย์เนี่ยพอแต่งงานกันเนี่ยคนละวันณันแบบนี้นะะแต่งออกมาเขาถือว่าเป็นจันทาน เพราะนั้นแต่เจ้าชายวิธุธภานี่ไม่รู้เรื่องแต่พวกกษัตริย์เมืองศักยะรู้เรื่องที่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วกษัตริย์เมืองนั้นน่ะมาสู่ขอพระธิดาของเจ้าศักยะแต่เจ้าศักยะไม่อยากให้พระราชานี่ก็เลยเอาหญิงรับใช้นี่ให้ไปแทนแล้วก็หลอกว่าเป็นเป็นเชื้อกษัตริย์อ่าไปหลอกเขาเพราะันต่หลังเนี่ยพอพอมาทําอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าชายพิทูสภะรู้เขา้ารู้ความจริงขึ้นมาโหแค้น oh, mm hmm. มากเลยเพราะฉนั้นตอนนั้นเป็นเจ้าชายอยู่ก็เลยยังไม่รู้จะทำไงแต่ตั้งจิตไว้เลยอาฆาตจองเวงไปเลยบอกว่าถ้าตัวเองได้เป็นกษัตริย์เมื่อไหร่เนี่ยจะเอาเลือดเนี่ยมาล้างปัตภีเนี่ยมาล้างพื้นดินที่ที่เจ้าชายพิทูสภะมาเหยียบเมืองนี้เพราะอะไรที่เขาแค้นมากเพราะอะไรเพราะว่าพวกจันทานเนี่ย ไปนั่งไหนไปกินตรงไหนอะไรก็ตามพวกวันนะอื่นเนี่ยเขาจะดูหมิ่นมากเขาถือว่าเป็นจันเลยเป็นเสนียดวันเขาจะต้องเอาน้ํานมเนี่ยมาล้างที่นั้นหมดจะต้องเอาน้ำนมมาล้างที่นั้นทั้งหมดถือว่าปัดเสนียดออกไปพอดีเจ้าชายพิทูสภาเนี่ยส่งคนรับใช้เพราะว่าลืมของไว้คนรับใช้เนี่ยกลับมาเอาของเนี่ยเสร็จแล้วก็มาได้ยินไอ้พวก พวกนางทาตที่มาทําความสะอาดเนี่ยเอาน้ํานมมาขัดพื้นมาขัดสถานที่ต่างๆเนี่ยมันขัดไปมันก็บนไปไอ้เจ้าชายนี่ไม่น่ามาเลยลูกคนจันทนันไอ้คนจันทันไม่น่ามาเลยมาแล้วมาทําให้เขาต้องมาทํางานอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไอทหารที่เจ้าชายที่ส่งมาได้ยินอย่างนี้ก็เลยเอาข่าวเนี่ยไปบอกเจ้าชายเจ้าชายรู้เรื่องเข้าไปสอบถามสอบถามเสร็จรู้ความจริงก็เลยแคน เสร็จแล้วพอตัวเองได้เป็นกษัตริย์ปับ๊บก็นึกถึงอันนี้ก่อนเลยว่าเอาละคราวนี้เป็นกษัตริย์แล้วจะเอาเลือดของพวกศากยะมาล้างแผ่นดินให้ได้คราวนี้ก็เลยยกทัพมาเลยยกทัพมาพระเจ้าก็ต้องมาห้ามทัพพระเจ้ารู้ว่ายกทัพมาจะมาฆ่าพวกสากยะพระเจ้าก็รีบมาห้ามทัพห้ามทัพเสร็จเจ้าชายวิถูสภาก็ยอมพระเจ้าก็กลับไปอ่า เสร็จรจกลับไปเสร็จอ่าเดี๋ยวแค้นขึ้นมาอีกยกทับมาใหม่อีกยกทับมาใหม่ผู้เจ้ารู้เสร็จก็รีบมาห้ามทับอีกอ่าผู้เจ้ากเทศสอนไปอาก็สงบลงก็กลับไปม่อีกกลับไปอีกเสร็จนั่นแหละอารมณ์ดีๆอ่ะฟังเทศฟังธรรมเสร็จอารมณ์ดีๆเหมือนพวกเราอ่ะฟังเทศฟังธรรมก็อารมณ์ดีๆนะเดี๋ยวพอกลับไปบ้านเอาแล้วบ้านจะแตกไม่รู้ธรรมะหายไปไหนหมด เจ้าชายวิสูรสภาก็เหมือนกันพอกลับไปแล้วก็เดี๋ยวคิดแค้นขึ้นมาอีกยกทัพมาอีกเป็นอย่างงี้อยู่สามครั้งผู้เจ้าก็เลยในที่สุดท่านก็โอ้หมดปัญญาเนี่ยท่านบอกปวดหัวปวดหัวเพราะเรื่องนี้แหละเนี่ยเกี่ยวกับการฆ่ากันนี่แหละแล้วท่านก็ท่านก็มีนาคตังสยามใช่ไหมท่านก็รู้อดีตชาติรู้อนาคตต่างๆเพราะในที่สุดเนี่ยท่านก็เล็งยานท่านแล้วท่านก็รู้ว่าเออมันก็เป็นบิบากกรรมของ พวกเจ้าสากยะด้วยนะเพราะฉะนั้นในที่สุดท่านก็เลยบอกมันไม่พ้นนี่กรรมนี้อยู่แล้วยังไงเนี่ยก็จะต้องเกิดนี่กรรมนี้แน่นอนเป็นนี่ที่ต้องชดใช้ไม่มีทางเลี่ยงอย่างอื่นเลยขณะท่านอุตส่าห์มาห้ามทับถึงสามครั้งแนละ้ว น, นี่ท่านช่วยแล้วนะถึงสามครั้งแต่ในที่สุดท่านรู้ว่าเหตุมันจะต้องลงเอยในที่สุดวันครั้งที่สี่ท่านก็เลยไม่ห้ามแล้วท่านก็เลยปล่อย ปเสร็จเจ้าชายวิทูสภ้ามาก็เลยฆ่าพวกสักยะเกือบทั้งหมดเลยฆ่าเกือบหมดเลยนะทั้งลูกเล็กเด็กแดงฆ่าหมดเลยจึงกระทั่งแทบหมดตระกูลของศากยะนะเรียกว่ามีใครโชคดีบ้างก็หลุดรอดไปบ้างเท่านั้นเองกับพวกสากยะที่มาบวชเป็นพระแล้วเท่านั้นเองนั่นแหละเนี่ยก็คือวิบากกรรมคิดดูเอา ผู้เจ้าก็ต้องมาปวดหัวแบบนี้เพราะนั้นเนะ่ะปลาก็ดีมันจะเล่นน้ำยังไงช่างหัว น, <laughs> นะอย่าไปหาเรื่องมาปวดหัวนจะเล่นน้ำางไงช่างมันออไม่ต้องไปหยอกไม่ต้องไปยุ่งอ อ, อ, อบาปแล้ว <laughs> บาปแล้วบาปทางใจนะบาปทางใจบาปแล้ว เขาเรียกว่าบางทีมันมีอะไรมาดนใจอย่างนั้นแหละถ้าเราคิดเป็นปั๊บเราเป็นบุญทันทีอยู่ที่ความคิดเราถ้าเราคิดดีก็เป็นบุญเราคิดไม่ดีเราก็เป็นบาปแต่บาปอันนี้เป็นบาปทางจิตเพราะกายกรรมเราก็ไม่มีวจีกรรมเราก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเป็นบาปทางจิตดีนั่นแหละพยายามเมตตาไว้ อย่างเช่นบางทีเนี่ยเห็นมั น, มนก็โดดโลดเต้นดับอ่าอะไรนะผุดไหว้พุดโผลอะไรอย่างเงี้ยนะเออมองไว้เออดีนะมันตอนนี้ก็เป็นโชคดีของมันนะน้ําขึ้นมันก็ได้มีความสุขเออมีอะไรอะ่ะมีความอิสระอะไรของมันเไม่ต้องไปคิดต่อใช่ไหมว่าจะเอาไปให้ใครกินไม่ต้องไปคิดต่อเออมีความสุขอิสระก็ดีแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวอืม นอกจากว่าถ้ากลัวมันจะตายก็บางทีเอออาจจะจับมันไปปล่อยที่ที่ปลอดภัยอะไรอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นดีก็จะเป็นบุญกุศลทันทีจิตจิตอย่างนั้น อ, อ่ะอ้าวใครมีอะไรอีกจะถามว่าผัสสะไหนเราจะรู้ว่าเป็นกิเลสไหมอันนี้ก็ดูจากความเป็นจริงของสภาวะจิตเราถ้าผัสสะแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นโอ้โหรักจังเลยชอบจังเลยอันนี้ก็จะเป็นกิเลสไปในเชิงราคะอ่ารักไปติด ไปชอบใจมันก็จะเป็นเชิงราค่ะแต่ถ้าไปผัสสะอันนั้นแล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบใจถือสาไม่พอใจอะไรต่างก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นกิเลสแบบสายโทสะนะมันถึงหงุดหงิดลาคาญไม่ชอบใจเอากิเลสขึ้นแล้วตอนนี้แต่เป็นกิเลสในสายของโทสะถ้าไปผัสสะอะไรแล้วปรากฏว่าโอ้โหอยากจะเอาชนะเขาจังเลยนะอยากจะข่มเขาหรือพอโดนเขาข่มล้วก็ไม่ยอมต้อง ชนกับเขาหน่อยก็ให้จับให้ได้วันเดียดเดีเนี่ยไอจิตสภาวะอย่างนี้นี่อัตตามานะเราขึ้นแล้วต้องต้องรู้ด้วยตัวด้วยตัวเองอ๋อมันจะมีนิมิตอะไรมาก่อนไหมอืมมันจะมีนิมิตอะไรมาก่อนไหมอันนี้เนี่ยบางทีอัตมาว่ามันอยู่ที่จิตเป็นสําคัญนะเพราะจิตเนี่ยจะเป็นตัวสติเป็นตัวความรู้รู้อารมณ์รู้สึกรู้จิตเราเนี่ย ตัวตัวสติเนี่ยถ้าตัวสติเนี่ยไวนะทุกอย่างจิตเป็นตัวแรกเกิดจิตเป็นตัวนําร่องเพวันถ้าใครเนี่ยมีสติได้ไวเนี่ยนิมิตอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะจิตมันเป็นตัวแรกอยู่แล้วคุณจะรู้ได้ก่อนเลยต้องรู้ได้ที่จิตแต่บางทีเนี่ยเราช้านะบางทีสติเราเพอ้อไผลบ้างไม่แววไวบ้างเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย กว่าเราจะรู้ตัวนะกว่าจะมีสติได้เนี่ยบางทีโอ้โหต้องให้หน้านี่ตึงก่อนนะต้องให้ตานี่โปนก่อน <c oughs> ถึงจะรู้ว่าโกรธแล้วโกรธแล้ว <c oughs> มันช้าไงสติมันช้าจริงๆนะมันมาจากจิตก่อนแล้วไงจนกระทั่งมันเดินทางมาจนถึงหน้าแล้วจนบางคนนี่ถึงหน้านี่ตึงแล้วตากะโตแล้วนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยนะ คัานี้ต้องรองให้อ้าปาก่อนเออต้องให้เสียงออกแเราถึงจะรู้อย่างเงี้ยคือสติช้าไงอย่างเงี้ยไอ้นิมิตมาก็นิมิตมาแล้ว น, นี่นิมิตที่มาเรียงลําดับมามันมาเรื่อยแล้วไอ้หน้าตาคุณเปลี่ยนสีไปใ น, ในี่เนี่ยนิมิตมาแล้วมาให้เห็นละอ่า อ, อาการเนี่ยอาการมาให้เห็นแล้ะอืมวพราะันะถึงบอกว่าสําคัญที่จิตถ้าจิตมันจับได้ไวเนี่ยอาการแรกคืออาการของจิต อย่างอื่นมันจะตามจิตทั้งนั้นนี้นี้เราพูดภายในตัวเรานี่นะอ่าไม่ไม่ได้พูดภายนอกนะเพราะว่าไอ้คำว่านิมิตนิมิต น, นี่เดี๋ยวบางคนเขาพูดถึงภายนอกนิมิตภายนอกอย่างเช่นฟ้าผ่าฝนตกอ่ามีสายรุง้ง อ, อะไรอะ่ะนิมิตอ่ามีแสงสว่างมีอะไรอ่ะไอ้นิมิตทั่วๆไปะนะเออมีแสงสีอะไรเกิดขึ้น แหมมีลมมานิมิตอะไรก็แล้วแตไ่ไอ้อย่างนั้นมันเขาเรียกนิมิตวัตถุวิธีนิมิตภายนอกซึ่งอาจจะมาไว้อยากพูดถึงนะ่ไอ้พวกนั้นเพราะว่าไอ้พวกนั้นเดี๋ยวก็เดากันไปยุ่งเดากันไปเลยแหมปลูกต้นกล้วยโอ้โหกล้วยนี่อย่างก็เล็บมือนางเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวก็เอาอีกแล้วเอาแล้วเดี๋ยวทูบเทียนก็จะตามมา ไม่มไม่ค่อยอยากพูดถึงไอ้พวกนี้อ่ะเพราะว่ามันมันจะทําให้คนไปติดหลงไอ้พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกอะไรต่างๆนานาพวกนั้นซึ่งซึ่งไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็กลายเป็นเทวานิยมอะไรพวกนั้นไปแล้วนิมิตเยอะไปสังเกต ด, ดูพวกเทวานิยมนิมิตเยอะมากนิมิตซึ่งบอกแล้วว่าบางทีก็บังบันเอิญบางทีบางทีไม่ใช่จริงอะไรหรอกแต่เขาก็พยายามตีนิมิตมันให้มาเข้ากับไ้ที่เขาต้องการให้ได้เออมันก็ตีได้สิ หรือนิบิดอีกอย่างก็บางคนเนะ่ะฝันไงหลับแล้วก็ฝันในนั่นฟังให้นี่เอาแล้วทีขานี้มาตีใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็ตีเป็นตัวเลขงั้นนะ่ะแล้วไม่รู้เดี๋ยวตีไปไหนก็ไม่รู้ออเพราะฉะ น, นั้นโอ้ยอย่าเอาเลยพวกนี้มีแต่จะทำให้ยุ่งอ่าแ <c oughs> ถวด้างห ล, งลังบ้างไงมีไหเอ้าวมีไหมอาถามมาเอ่อ อาตมาบอกอย่างแรกสุดเลยนะอย่างแรกสุดคืออย่าเที่ยวไปเดาใจใครเดาใจเราคนเดียวพอไม่ต้องไปเดาใจใครครับอา้าวอันนี้ผู้เจ้ามีตัดสอนไว้นะท่านบอกว่าอย่าเที่ยวไปสรุปใครอย่าเที่ยวไปเดาใจใครท่านยกไว้ให้ผู้ที่จะเดาใจคนอื่นเนี่ยท่านยกไว้ให้บุคคลประเภทเดียวเท่านั้นคือพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านจะ เข้าใจแล้วท่านจะเดาใจคนอื่นได้ไม่เสียหายอะไรท่านจะเดาได้ถูกแต่นอกนั้นลงมาเนี่ยท่านบอกอย่าไปเดาเพราะการเดานั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็จะเป็นความทุกข์กลับมาหาเรายิ่งโดยเฉพาะเดาแบบแง่ลบๆเนี่ยเดาแบบแง่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหไอเดาแง่ดียังดียังดีหน่อยใช่ไหม เดาคนอื่นเขาแง่ดีๆยังดีหน่อยแต่ไม่ได้หมายถามว่าถูกต้องนะอ่าเพราะบางทีคุณเดาเขาดีๆเขาอาจจะไม่ดีก็ได้อะอ้าวเพราะฉนั้นอาจารยงบอกตัดรอบเลยเลิกเดาเลยนะไม่ต้องไปเป็นหมอดูหมอเดาไม่ต้องเลยเอาเอาที่จิตเราพอสมมติบางทีเนี่ยอะไรเราเราเจอคนอย่างเงี้ยเอาอย่างเช่นนะเอายกตัวอย่างง่ายที่สุดเลย อย่างบางทีเราปฏิสันฐาน่ะเอาเรามาวัดอย่างเงี้ยเจอคนเราก็เอายกมือไหว้ปฏิสันฐานจเจริญธรรมค่ะอ่าใช่ไหมเสร็จเราจเจริญธรรมไปเสร็จอ้าวเขาก็ไม่ยกมืออเออเขาก็เดินเฉยๆมองหน้าเราแล้วก็เดินเฉยๆเอาแล้วเราเริ่มคิดละ <c oughs> ส่วนใหญ่จะคิดยังไงส่วนใหญ่เะส่วนใหญ่จะคิดว่า ขาวหน้าไม่ไว่าเบึงแล้วน้ามันคงจะคิดในใจอะนะเอออย่างน้อยที่สุดใช่ไหมแม้อย่างนี้อาตจะมาบอกคุณไม่ต้องไปเดาเขาหรอกคุณตัดไปเลยเอช่างเขาเหอะเรื่องของเขาต้องตัดไปเลยนะคุณอย่าเดานะจริงๆบางทีเขาอาจจะคิดอะไรอยู่ก็ได้โอหเขาอาจจะมีความทุกข์มากเลยนะ กำลังห่วงวิตรกกังวลความทุกข์ของเขาอยู่นะจนกระทั่งเขาไม่ได้มองคุณเลยว่าคุณยกมือไหวหรือเปล่าเขาก็เดินสวนกันล้ตาเขาก็เขาก็ลอยๆมองเรานึ ก, กว่าเรามองเออเรานึกว่าเขามองเราที่ไหนได้อะเขากำลังอยู่ในภพของเขาเขากำลังทุกข์ของเขาเขาก็เดินของเขาไปอย่างเงี้ยเออแต่เราเนี่ยเราคิดละแลมเข่าหน้ามึง <laughs> ไม่ต้องเดาเลยนะมันบอกตัดลอบไปเลยเรายกมือไหว้เขา เป็นบุญเป็นกุศลดีแล้วสําหรับเราพยายามมองที่ตัวเราว่าเราได้ทําดีแล้วเราได้บุญแล้วแต่ถ้าคุณเดาว่าเขาไม่ดีนี่นะเนี่ยเขาเขาไม่ไหวกลับมาเขาไม่ดีคุณเดาอย่างนี้นะบุญที่คุณมีอยู่เริ่มลดลงทันทีเลยที่ที่เราทําดีเนี่ยเราไหว้เข้าไปก่อนเนี่ยบุญคุณเริ่มลดลดลงละเพราะว่าคราวนี้ที่คุณคิดไม่ดีกับเขานี่มันเป็นอกุศลแล้วนะอา้าวมันเป็นบาปแล้วเนะมันมาถอนบุญคุณละ วันนึงบอกอย่าไปคิดเลยก็เขาไม่ว่ามันก็เขาก็ไม่ได้บุญของเขาอ่ะเอาแต่เราได้บุญเราก็เอาเก็บบุญของเราสิามาเก็บให้เต็มที่ด้วยอย่าไปแบง่งไอ้หนูไอ้ดีไปอีกพยายามเลยตรงเนี้ยถ้าทำได้จะสบายใจด้วยแล้วเราเองเนี่ยเราจะไม่เป็นคนคิดมากด้วยไม่อย่างนั้นเอไออะไรก็โอ้คิดอยู่เรื่อยยิ้มให้เขาเอา้าบางทีเขายกมือไหว้แล้วนะ แต่เขาเฉยๆอย่างเงี้ยเขายกมือไหว้กลับมาเอ้าเราอุตส่าห์ไหว้แล้วเราก็ยิ้มให้นะมายกมือไหว้แล้วไม่ยิ้มมาด้วยอ่ะ้าวลราเริ่มแล้วเริ่มทํางานอยู่แล้วเริ่มปรุงอีกนะโอ้ยคุณจะไปอะไรกมากมายเขาไม่ยิ้มกันหน้าเขาก็ปากเขาก็ช่างเขาอะไรไอ้นหน้าเราปากเรามือเราเราไหว้แล้วเรายิ้มแล้วโอ้ยเราได้บุญกุศลเราแล้วอะ่ะเขาไม่อยากได้บุญกุศเรื่องของเขาสิเห็นไหมเราคิดให้เป็น ถ้าเราคิดเป็นเราได้บุญเต็มเต็มเราไม่ต้องขาดทุนต้องไปเสียบุญที่เราควรจะได้อะลักกี้ยกมือว่างไงอ๋อถ้าเจอลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอ่าลักกี้บอกไปแล้วนะบอกว่าแล้วแต่เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอข่าวขาวหน้าเนี่ยนะระวังนะนักเดาทั้งหลายระวังตอนนี้จะยกมือไหว้นะเตรียมไว้เลยนะเตรียมไว้เลยนะดูซิมันจะยกหรือเปล่าดูสิ <laughs> เตรียมมาเลยนะใจเนมันจะมาอัตโนมัติเลยบอกคุณเลยถ้าใจใครเนี่ยยังยังติดอยู่อย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆบอกยืนยันคุณได้เลยว่าสภาวะจิตย่างยี่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณเชื่ออัตมาแล้วคุณพยายามทําอย่างที่อัตมาบอกนะคุณจะไม่ใส่ใจเลยเขาหน้าคุณไหว้เขาเขาจะยกมือไหมเขาจะยิ้มไหมบอกแล้วหน้าเข้ามือเขาเพราะจะกี่ครั้งไม่สําคัญไม่อย่างนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมาทําบุญหรือมาทําดีเนี่ย เอามีสมัยก่อนอัลมาก็เคยเป็นอัลมาก็ยังเคยตั้งไว้เลยไม่รู้แล้วนะทําดีอะไรให้ใครเนี่ยถ้าเขาไม่ทําตอบมาเนี่ยนะอัลมาให้โอกาสสามครั้งนะแล้วเลยสามครั้งเมื่อไหร่เลิกกันเลยนะบอกให้รู้ไว้ด้วยแต่ก่อนยังเคยตั้งไว้อย่างนี้เลยอัลมาเออเรายังตั้งไม่ผิดนะจริงๆเนี่ยมันมันเข้าใจมาขนาดหนึ่งแล้วแต่มันยังมันยังเข้าใจไม่ถึงที่สุดมันยังไปกักเอาไว้สามครั้งนะมันหมายถึงว่า อดทนแค่สามครั้งพอนะมันจริงๆแล้วเมตตาหรือบุญที่เราควรจะได้ไม่ไม่ควรสิ้นสุดอยู่แล้วได้มากเท่าไหร่แล้วก็สะสมของเราไปใช่ไหมแล้วบอกแล้วเราทําไปเราได้เองเนี่ยคุณไหวไปแล้วเขาได้บุญหรือไงคุณไหวไปคนไหวเป็นคนได้บุญเองน ะ, ะผู้เจ้าท่านตรัสไว้เลยอย่างเช่นเราทําบุญทําทานอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณมาถวายคุณมาถวายทานให้ให้พระอย่างเงี้ยอ่าหรือใส่บาทพระอ่า ท่านก็บอกว่าคนทำนั่นแหละได้อคนรับก็เป็นส่วนคนรับไปแต่แต่ผู้ทำนั่นแหละเป็นผู้ได้บุญเองคือคือท่านตัดเรื่องเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปเข้าใจว่าพอเราทําบุญไปเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่ไปให้คนนั้นคนนี้ผู้เจ้าท่านบอกไม่ได้หรอกคนทํามันเป็นคนได้เพราะเราเองเราคนทําเราเป็นคนได้นี่เป็นสัจจะเลยคนอื่นอยู่ดีๆจะ มาเอาไปเงี้ยเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราชัดประเด็นตรงนี้ถึงบอกว่าเอา้าก็เราทำไปสิเราไม่ต้องไปห่วงหรอกทำไปเถอะและเรายิ่งจริงใจนะเราทำโดยที่เราไม่ได้หวังว่ายิ้มให้เขาเขาต้องยิ้มตอบเงี้ยคุณทำไปเรื่อยๆคุณทำไปเรื่อยๆคุณเชื่อไหมล่ะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความดีเนี่ยจะชนะคุณเชื่อไหมล่ะตรงนี้ คุณเชื่อเรื่องกรรมดีอันนี้ไหมถ้าคุณเชื่อกรรมดีเ น, นี่ยคุณทำไปเถอะทไปเถอะทำไปเถอะ ใ, ในที่สุดเนี่ยรับรองยิ่งในที่ที่นั้นน่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแล้วด้วยในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมือเ็าต้องอ่อนปากเขาก็ต้องยิม้มนีไม่พ้นเลยมันไม่มีทางอื่นรับรองได้ยืนยันได้อันนี้เพราะว่าในที่นี้เนี่ยเราใช้ความดีนะเราใช้ความดีเป็นตัวหลักอยู่แล้ว เป็นตัวชนะอยู่แล้วอชนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยความดีก็ชนะเพียงแต่ว่ากิเลสของเราคนนี้กิเลสของเราเนี่ยเราเราชอบไปตั้งเอาไว้เนี่ยเทมาบอกว่ามันชอบไปตั้งว่าเดี๋ยวข่าวหน้านะข่าวน้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันไปตั้งเอาไว้จริงๆจะบอกจะบอกก็ได้ว่าคือเราเนี่ยยังไปหวันผลตอบแทนอยู่เรื่อยคือมันเผลอตรงเยี่อตลอดไปล่ะ ส่วนใหญ่นะกิเลสของเราทําดีอะไรเนี่ยหวังผลตอบแทนตลอดขอยืนยันตรงนี้ถ้าใครเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ไม่คอยระวังไว้นะคุณจะต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเขาไหนสมหวังคุณก็มีความสุขแต่พอคุณทําไปแล้วเนี่ยทําดีไปแล้วเขาไหนเนี่ยไม่กลับมาอย่างใจที่คุณหวังเอาไว้คุณก็จะทุกข์แล้วคุณก็จะเจ็บปวดแล้วพอคุณทุกข์คุณเจ็บปวดคุณก็ไม่อยากจะทําแล้วอคุณอยากจะเปลี่ยนแล้วอยากทําอย่างอื่น ที่ทำแล้วได้ผลประโยชน์กลับมาเนี่ยยังเป็นนิสัยหรือยังเป็นกิเลสแบบคนโลกโลกทำดีอะไรก็ตามก็ยังหวังผลตอบแทนกลับมาอยู่ตะลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยตัดเลยพยายามตัดนะไม่ต้องหวังอะไรทำดีแล้วจบเลยนะอ่ะมีอีกไหมมีใครถามอีกไหมอืม เอคืออันนี้เนี่ยพูดในประเด็นที่เรียกว่าแม่เขาทาบุญใส่บาตรพระแล้วก็บอกว่าทําบุญไปแล้วเออถ้าเกิดตายไปหรือชาติหน้าชั้นใดก็แล้วแต่นะก็จะได้มีกินไงมีกินมีใช้คือความจริงบุญเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นตัวตัวอย่างที่คนเข้าใจหรอกว่าถ้าใส่ข้าวน้ําไปเราตายไปเราก็จะได้ไปกินข้าวน้ําที่เราใส่ใจไป มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนไปเข้าใจผิดอย่างนั้นเองคือไปเข้าใจสภาพตรงๆอย่างนั้นเองบุญเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนๆ เ, เป็นแบบก้อนข้าวข้าวเหนียวมั่งข้าวเจ้ามั่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใครเนี่ยใส่แต่ข้าวขาวชาติหน้าก็ไปกินแต่ข้าวขาวใครใส่แต่ข้าวกล้องก็ไปได้กินแต่ข้าวกล้องหรือเปล่าเลยไม่เกี่ยวเลยประเด็นพวกนั้นเพียงแต่ว่าการที่เราทําบุญเนี่ยเราให้ทานไปเราเสียสละออกไปเนี่ยนะ เราได้เป็นเหมือนกับว่าผู้ให้และแล้วคนอื่นเนี่ยรับจากเราไปเขาเป็นผู้รับเขารับจากเราไปแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเขาก็เป็นหนี้เรานะอ่าส่วนเราเป็นผู้ให้เราก็เป็นเหมือนกับเจ้าหนี้อันตรมาถามคุณหน่อยเหรอเวลาลูกหนี้เนี่ยเขาเอามาคืนให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาจําเป็นไหมว่าเขาต้องคืนสมมุติว่าเป็นเงินเป็นทองเท่านั้น เวลาเราสมมติว่าเราจะใช้หนี้ใครเนี่ยจำเป็นไม่ว่าเราจะต้องคืนเป็นเงินเป็นทองเท่านั้นคืนเป็นบ้านได้ไหมคืนเป็นรถยนต์ได้ไหมคืนเป็นอะไรอ่ะข้าวของอะไรต่างๆได้ไหมได้ถ้าสมมุติว่าให้เจ้าหนี้เขาไปแล้วเขาก็รับไปได้เขาก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันว่าจริงๆแล้วการทำบุญเนี่ยคุณจะทำะวัตถุอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าเป็นวัตถุที่ถูกต้องแล้วนะไม่ผิดศีลธรรธมไม่ไป ขโมยอะไรใครเข้ามาเราให้ไปเนี่ยบุญนั้นน่ะเราได้แล้วเก็บสะสมไปแล้วชาติหน้าฉันใดเราก็จะได้แล้วได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ยุคนั้นชาตินั้นสมมุติว่าเกิดไปชาติหน้าเนี่ยเขาไม่กินก็นแล้วอะข้าวเขาเกิดกินอย่างอื่น <c oughs> คุณไม่ต้องอดเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเอ้าถ้าไปคิดแบบตรงตร ง, ตรงอะนะไม่ก็ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่จิตวิญญาณมันไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นผู้ให้เขาจิตวิญญาณเขาเนี่ยมันมีลึกๆอยู่ภายในเนี่ยมันเก็บข้อมูลไปหมดและ ว, ว่าเออเอยบางทีเจอกันไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำไปแต่จิตสำนึกภายในเนี่ยมันเอ๊รู้สึกถูกชะตาต้องช่วยคนนี้ต้องให้เขาอ่ามันก็ต้องให้เข้าไปคุณจะให้เป็นเสื้อผ้าข้อของวัตถุเงินทองอะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องให้ให้คืนไปละ นั่นแหละวัอันนี้ในเรื่องวัตถุนะเสร็จแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุมาถึงคุณมาวัดคุณมาฟังเทศฟังธรรมคราวนี้คุณอาจจะไม่ได้ใส่บาตรเลยอ่าปรากฏว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลมาลาดละกิเลสตัวเองคราวนี้คุณก็ทําบุญเหมือนกันนะแต่เราเรียกว่าอภัยทานขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่วัตถุทานคราวนี้เป็นขั้นอภัยทาน คุณได้บุญอีกเหมือนกันคุณช่วยเหลือใครไปคุณเป็นผู้ให้ส่วนคนนั้นน่ะที่เป็นผู้รับเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นหนี้เราอีกเหมือนกันอ่าก็เราช่วยใครอะ่ะแม้ไม่ใช่เป็นวัตถุแล้วคนนี้เป็นแรงกายอย่างเงี้ยอา้าวคุณไปช่วยเขาอะไรบางทีปลูกต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้คุณเลยต้นไม้ของเขาอะ่ะคุณไปออกแรงช่วยเขาคุณไปช่วยเขาปัดกวาดเช็ดถู บ, บ้านช่องเดือนชานเอาเขาก็เป็นหนี้คุณจริงๆ นี่พูดโดยโดยกายมาแล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเวลาบุญมันจะมาตอบสนองเรามันก็กลับมาตอบสนองคุณไม่ต้องเป็นวัตถุก็ได้เป็นความสบายใจเป็นอะไรก็ได้ที่จะกลับมาตอบสนองและแตอนนี้โดยสองส่วนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีบุญทางวัตถุกับบุญทางทางจิตใจทางแรง กายอะไรพวกนี้โดยสองส่วนใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้คือธรรมทานนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะเอาสองส่วนใหญ่ๆนี้ก่อนสองส่วนใหญ่ๆเนี่ยล้วนได้บุญเพียงแต่ว่าถ้าใครทําบุญธําทานด้วยวัตถุแต่ยึดอยู่ในตัววัตถุไม่เข้าใจในการเสียสละไปจริงๆในการให้จริงๆว่าให้แล้วอย่าหวังผลตอบแทนคนนี้เพราะฉะนั้นคนนั้นอนะ่ะส่วนใหญ่เวลาตอบสนองกลับมา คุณก็จะมีวัตถุมีเข้าของตอบสนองกลับมาเหมือนกันนะจะวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะแต่คนนั้นเนี่ยบางทีทางด้านจิตจิตใจเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสุขสเท่าไหร่อ่ะถ้าสุขก็เป็นสุขเพราะวัตถุนั้นเท่านั้นเองแต่จิตวิญญาณเนี่ยบางทีเผลอๆอาจจะยิ่งอยากได้เยอะๆก็ได้นะอาจจะโลภในทางวัตถุก็ได้อืมเพราะมันยังไม่ใช่สุขจริงๆแต่ว่าวัตถุเนี่ยจะทําให้คนนั้นได้สุขในด้านวัตถุ ถ้าท่าคนนั้นทาบุญทาทานวัตถุทานทำไปโดยที่บอกแล้วจิตใจไม่ถึงจิตเนี่ยทำไปโดยไม่ได้สละไปจริงไม่ได้ให้ไปจริงคนนี้ยังหวังผลตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นจิตขี้โลภอันนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะไม่เบาสบายจริงวัตถุจะได้มาแต่สภาวะจิตเนี่ยยังจะทุกข์ได้อีกเพราะ บ, บางทีถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งก็จะมีแต่ถ้าคนนี้ถ้า ปฏิบัติธรรมลดละ ก, กิเลสลดละ ก, กิเลสนี่มันต้องถึงจิตแล้วมันต้องฝึกฝื้นจิตใจโอ้สู้กิเลสเราเองใช่ไหมคราวนี้คุณไม่ได้ไปใส่บาตรเลยวัตถุคุณไม่ได้ทําเลยด้วยซ้ําไปเหมือนภิกษุเนี่ยมาบวชเนี่ยใส่บาตรคุณที่ไหนลรายังได้รับจากคุณมาด้วยซ้ําไปใช่ไหมวัตถุอ่าแต่แล้วก็สมมติว่าท่านไม่ใช่เทศเลยด้วยเอาไม่ใช่แสดงทำ เอามาสั่งสอนอบรมอะไรด้วยอ้าท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านไปใช่ไหมเอาเช้าๆไปบิณฑาบาต เ, เดี๋ยวก็กลับมาก็ออ่านตำรับตำราฝึกฝนลดละกิเลสตัวเองไปเอาเอะไรเี้ท่านจะเอาบุญอะไรอย่างชิ่ไหนยังไงแต่เห็นไหมเนี่ยเป็นบุญที่ท่านให้เหมือนกันแต่คราวนี้นี่ท่านเอากิเลสออกแล้วจิตใจท่านก็สู้กับไอลาคะโทสะโมหะพวกนี้จิตใจท่านเนี่ยสบายขึ้นเบาขึ้น คราวนี้แหละคุณดูนะบุญสําหรับทางด้านทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยผู้นี้ก็จะได้แล้วตอบสนองอยังไงคราวนี้บอกแล้วไม่ใช่วัตถุแล้วนะตอบสนองกลับมาในลักษณะที่ส่วนใหญ่เนี่ยอกิเลสมันเบาลงกิเลสมันลดลงก็ชาตินี้ยังกิเลสเบาลงลดลงเลยไปเกิดชาด้านหน้ า, นาคุณว่ามันจะไปหนักกว่านี้ได้งไงว่ามันก็สบายใหม่ๆก็อาจจะมีกิเลสยังไม่รู้ตัว แตเดี๋ยพอสติมันมาดูตัวปั๊บก็ว่าตัดได้ง่ายได้เพราะฉะนั้นคนที่ตัดกิเลสได้ง่ายๆในชาติเนี่ก็คือคนที่สะสมบุญบารมีด้านจิตวิญญาณมามากกว่าด้านวัตถุใครรวยๆในชาติเนี้ยแต่ยังจมอยู่กับกิเลสอยู่อันนั้นน่ะส่วนใหญ่สะสมวัตถุทานมาม า, มากแต่อภัยทานอ่ะยังน้อยแต่คนที่ต่อให้จนด้วยชาตินี้ไม่ค่อยมีเงินทองเลยอ่าแต่ ค่อนข้างสบายไม่ค่อยมีทุกข์ร้อนอะไรหรอกแม้บางทีเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรนะบางทีก็เดี๋ยวก็ตัดใจนะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้สบายจะมาฟังธรรมจะมาเข้าวัดหรือแม้แต่จะมาบวชก็ง่ายไม่ยากเลยจิตมันมันมาได้ง่ายเลยนี่คือบุญบา ร, รมีในด้านที่สั่งสมในการถือศีลปฏิบัติธรรมในด้านของการถึงจิต ในด้านการลดกิเลสนีนพ่พูดแค่สองประเด็นนี้ให้ฟังเราจะได้เข้าใจนะถ้าถ้า ถ, ถ, ถ้าเอาตรงๆของทั้งสองสายดีนะคุณอยากได้อย่างไงมากกว่านะรวยกับจนคุณอยากได้งไงมากกว่านะ น, นี่พูดแบบตรงๆนะอ่าอ่า จนจนเป็นสุขกับกับรวยรวยสุขคุณอยากได้อย่างไงมากกว่ากันร <c oughs> วยก็สุขน ะ, ะให้สุขด้วยนะไม่ไม่บอกว่ารวยแล้วทุกข์ด้วยนะเออให้รวยแล้วสุขนะกับจนแล้วก็สุขอัตมาจะให้คุณว่าคุณจะเลือกอย่างไงมากกว่ากันนะถ้าโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกรวยแล้วสุขมากกว่าใช่ไ้ยถ้าโดยส่วนใหญ่นะเพราะคนติดวัตถุไง แต่คุณรู้ไหมว่าวัตถุเนี่ยคุณยิ่งรวยคุณยิ่งเอาของคนอื่นมามากเนี่ยคุณก็เริ่มเป็นหนี้เขาคนเนี้ยคุณจะเริ่มเป็นหนี้มากอ่ะเดี๋ยวคุณต้องใช้หนี้อื้อซ่าเลยหัวโตเลยเพราะส่วนใหญ่ที่จะรวยมาได้อ่ะบอกตรงๆเลยถ้าไม่เอาเปรียบมาเนี่ยคุณไม่มีทางได้มาคุณทํางานแล้วคุณเอาเท่าทุนคุณนะนะคุณทําได้ไหมคุณขายของคุณอะไรเงี้ยคุณขายเท่าทุนคุณคุณจะรวยไหมมันไม่มีทางอยู่แล้ว เพราะคนจะรวยได้ในสังคมเนี่ยคุณต้องได้เปรียบเงินเยอะๆคูถึงจะรวยเพราะฉะน ท, ที่เขาบอกว่ารวยแล้วสุขเนี่ยส่วนใหญ่ห น, นะก็สุขก็เป็นสุขแบบวัตถุไปแล้วเขาจะมีความสุขเพราะบัตถุจริงๆถ้าวัตถุเขาน้อยลงเขาเป็นทุกข์ดูนะเพราะใครที่เลือกรวยแล้วสุขนะจะทุกข์มากเลย <laughs> จะทุกข์ตามมามากเลยแต่จนแล้วสุขนี่ คนที่จะจนได้เนี่ยบอกแล้วส่วนใหญ่จะซื่อสัตย์นะไม่ค่อยเอารัดเอาเปรียบบางทีเนี่ยเขาให้มากยังเอาน้อยอจริงๆถึงไม่ค่อยรวยกับเขาหรอกพอมีพอกินพอใช้ไปเท่านั้นเองแต่มีความสุขได้บอกแล้วไม่เป็นหนี้ใครเขาด้วยเพราะว่าไม่ค่อยต้องไปเอารัดเอาเปียบใครเขาเห็นไหมไม่ต้องเป็นหนี้ใครเขามากชาติหน้าฉันใดคุณไม่ต้องไปใช้หนี้ด้วย แล้วส่วนใหญ่เนี่ยพวกอาตมาไปบินตาบาทเนี่ยเห็นชัดเลยส่วนใหญ่บินตาบาทเนี่ยที่จะได้เนี่ยได้จากคนจนเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ได้จากคนรวยหรอกคนรวยเนี่ยไม่ค่อยตื่นมาใส่บาตรหรอกตอนเช้าส่วนใหญ่คนจนเพียงแต่ว่าถ้าจนแต่ไม่รู้ความจริงเนี่ยก็จะขี้โรคจนแบบไม่รู้ความจริงจะขี้โลคก็อยากจะรวยแล้วมีความสุข ถ้าคนจนแล้วไม่รู้ความจริงแต่ถ้าคนจนที่รู้สัจจะรู้ความจริงของชีวิตอยากจะจนแล้วมีความสุขเพราะบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นหนี้ใครต่อต่อไปในชาติไหนไหนแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่รวยอ่ะก็เพราะว่าเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่มักจะทำบุญทาทานมักจะช่วยเหลือใครต่อใครเขาเพราะฉะนั้นข่าวเนี้ยคนจนที่มีความสุขในชาตินี้ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้คนเยอะเลย เพราะส่วนใหญ่จะเสียสละจะให้ใครแล้วแล้วเงินที่เขาวัตถุเข้าของที่เขาเสียสละให้ใครเนี่ยบอกแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ไปเอาเปรียบใครเข้ามาเพรา ะ, ะจะค่อนข้างได้มาอย่างสุดจริตได้อย่างมาเป็นของเขาจริงๆเลยเขาไปทํางานแล้วแลกเปลี่ยนมาเป็นแรงกายเป็นเป็นค่าแรงเขาจริงๆอ่เพราะฉะนั้นไอ้วัตถุทานอะไรที่เขาทําไปเนี่ยก็เป็นของเขาจริงๆด้วย เพราะฉนั้นคนที่ได้รับจากเขาไปเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเจ้าหนี่จริงๆพวกนั้นก็จะเป็นลูกหนี่เขาส่วนคนนี้บอกแล้วคนรวยต่อให้คนรวยอย่างเงี้ยทําบุญเป็นล้านเป็นสิบล้านเลยด้วยแต่บอกแล้วไอ้ล้านสิบล้านเนี่ยจริงๆไม่ใช่ของเขาเพราะเขาไปเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งนั้นแนหะไอ้แรงค่าแรงจริงๆเขาที่เป็นความถูกต้องเป็นเงินของเขาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยสมมติคนที่รวยสักร้อยล้านเนี่ยนะ แต่จริงๆเนี่ยอเงินหรือว่าค่าแรงเขาจริงๆเนี่ยอาจจะแค่ล้านสองล้านเท่านั้นแนหะแต่ไอีกเก้าสิบกว่าล้านเนี่ยบางทีเนี่ยนั่นเอาเปรียบมาทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่เขาทําบุญไปสิบล้า น, นเงินของคนอื่นเขาไม่ใช่เงินเขาเงินของคนอื่นทําบุญให้คนอื่นนะไม่ได้ทําให้ตัวเองนะอะ่เพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ได้มาเป็นหนี้อะไรเขาเนี่ย ใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่จะเป็นเจ้าหนี้ใครด้วยเพราะมันเงินเงินมันไม่ใช่ของเขาเงินของคนอื่นเนี่ยถ้าใครเข้าใจสัจจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้โอ้จะไม่ไปหลงหรอกจะไม่ไปหลงรวยหรอกนะเพราะว่ามันสวยจริงๆรวยมากๆเนี่ยมันต้องเอาเปรียบแน่นอนดีไม่พ้นเลยเอา้าวไปๆมาๆเลยบ่ายสามโมงวันนี้ก็คงพอเพียงเท่านี้นะ